สิวิธีเจริญมัคคือการมีสติวงเล็บเปิดสิมีนาคม2552ันหรในวงเล็บหวงเล็บปิดมัคมีองค์8ไม่ใช่ต้องปฏิบัติวันละมัคนะถ้าวันนี้เจริญสติวันนี้ทำสมาธิวันนี้สำรวมวาจาวันนี้ไปเรียนปริยัตเพื่อเพิ่มสัมมาทิฏฐิมัคอย่างนี้เรียกว่ามัคมากเพราะมัคมี1นะมัคไม่ได้มี8ปดมัคมัคมี1วิธีเจริญมัคก็คือมีสตินั่นเอง มีสติรู้กายรู้ใจไปการที่เห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฐิการที่เราเคยรู้กายรู้ใจอยู่นั่นแหละมีสัมมาสังคัปปะเรียบร้อยแล้วเราไม่ดำริชั่วแล้วไม่ดำริไปในกามไม่ดำริไปในพยาบาทไม่ดำริไปในความเบียดเบียนเพราะเรามีสติมม ร, รู้กายรู้ใจอยู่ในขณะนั้นมีสัมมาวาจาวาจาเรียบร้อยด่าได้ไหม ได้ถ้าสมควรไม่ใช่ไม่ดุด่าว่ากล่าวไม่อบรมลูกหลานกลัวสัมมาวาจาเสียลูกจะเป็นโจรอยู่แล้วก็เงียบๆสารวมวาจานี่บ้าแล้วบ้าสุดยอดเลยต้องโขกมันเข้าไปสิสมควรจะว่าก็ว่านี่ไม่ใช่ละเมิดสัมมาวาจานะมีสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคืออะไรคือศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสมีกงมีกิ๊กนี่ไม่ใช่สัมมากัมมันตะนะแล้วมีอะไรอีกสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบซื่อๆนะ เลี้ยงชีพสุจริตถ้ามีสติมันจะมีสิ่งเหล่านี้หมดเลยมีฮิริโอตปะขึ้นมาพอเรามีสติละอายบาปเกรงกลัวผลของบาปฮิริเป็นความละอายบาปโอตปะเป็นความเกรงกลัวผลของบาปไม่ใช่เกรงกลัวบาปนะเกรงกลัวผลของมันละอายที่จะทําบาปแล้วก็เกรงกลัวผลของบาปเรียกฮิริโอตปะถ้ามีอันนี้ศีลมันจะเกิดขึ้นเองแหละแล้วการที่เรามีสติอยู่นั่นแหละมีสัมมาวายามะอยู่แล้วมีความเพียรชอบ พอมีสตินะอกุศลดับทันทีอกุศลใหม่ไม่เกิดนี่เรียกว่ามีความเพียรพอมีสตินะกุศลเกิดทันทีกุศลที่เกิดแล้วจะเกิดงอกงามมากมายขึ้นทุกทีทุกทีทีแรกมีสติใช่ไหมต่อมามีเฮริโอตปะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุติมีวิมุตติยานทัศนะคือเข้าใจพระนิพพานพวกเรายังไม่มีนะต้องโสดาขึ้นไปนี่เข้าใจพระนิพพานเล็กน้อยเข้าใจยังไม่แจ้งหรอก เพราะไปเห็นแว บ, บๆนี่การที่เรามีสติสัมมาวายามะคือคุณงามความดีก็เกิดอากุศลก็ดับนี่เรียกสัมมาวายามะมีสตินั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่ามีสัมมาสติในขณะที่มีสติรู้กายรู้ใจด้วยความเป็นกลางจริงๆก็มีสัมมาส ม, มาธิอยู่องค์มครรคทั้ง8เราจเจริญด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละแล้วมันจะงอกงามขึ้นมาเองทั้ง8ตัวรวมกันเป็นหนึ่ง ไม่ใช่แยกกระจัดกระจายวันนี้ทำสัมมาทิฏฐิพรุ่งนี้ทำสัมมาสังกัปปะไม่ใช่คนละเรื่องเลยเราฝึกของเราไปเรื่อยในที่สุดเราจะแจ้งรู้แจ้งในกองทุกรู้แจ้งในสมุทัยรู้แจ้งในนิโรธรู้แจ้งในมรรครู้ว่าอะไรคือทุกรู้ว่าอะไรคือหน้าที่ต่อทุกแล้วก็ทำหน้าที่ต่อทุกนั้นรู้ว่ากายกับใจคือทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ทาหน้าที่ต่อทุกคือตามรู้ไป รู้จักสมุทัยคือตันหาความทยานอยากของจิตคือโลภะความอยากอยากวิ่งเข้าไปยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รู้จักตัวมันรู้ว่าหน้าที่ต่อมันคือละเสียอย่าตามมันไปอย่าให้ใจไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยรู้ทันมันไว้ไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่ทยานออกไปแล้วก็จเจริญสติอยู่นั่นแหละเรียกว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ต่อตัวสมุทัยแล้วมีสติไปนะ แล้วจะเห็นแจ้งมรรคผลนิพพานขึ้นมามีสติอยู่นั่นแหละคือการเจริญมรรคอยู่ฉะนั้นฝึกนะค่อยฝึกไปรู้ว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นทุกข์สิ้นขันธ์สิ้นความปรุงแต่งหน้าที่ต่อนิพพานคือการเข้าไปประจักษ์ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเข้าไปประจักษ์ไม่ได้รักษาด้วยไม่ต้องรักษานิพพานหน้าที่มีแค่เข้าไปเห็นเข้าไปรู้เท่านั้นเองหัดเจริญสติไปวันหนึ่งก็เข้าไปรู้หน้าที่ต่อมรรคคือเจริญให้มาก ทำให้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นมีสติได้ทั้งวันยิ่งดีรู้สึกไปเรื่อยฝึกอย่างนี้นะเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้หน้าที่ต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ทําหน้าที่ของมันด้วยการมีสติไว้ทําอย่างนี้นะพระพุทธเจา้าท่านบอกไว้เลยว่าถ้าท่านไม่แจ้งอริยสัจสี่แล้วไม่แจ้งแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรแต่ละตัวมีหน้าที่อย่างไรเรามีหน้าที่อย่างไรต่อเขาแล้วท่านไม่ได้ทําหน้าที่นั้นสําเร็จแล้ว ท่านจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าเลยของเราก็เหมือนกันนะเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ถ้ายังไม่แจ้งอริยสัจอริยสัจนี่ลึกนักสำคัญมากค่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งจะแจ้งอริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจได้ก็พ้นทุกข์แล้วเวลาที่เหลืออยู่คือเวลาที่มีความสุขที่สุดเลย